แบบนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเมื่อเมตกูมานพได้ฟังพระธรร ม, มเทศนาที่ทรงแสดงตอบคำถามมาโดยลำดับท่านก็เกิดความรู้ความเข้าใจมีศรัทธาเลื่อมใสในธรร ม, มะของพระผู้ ม, มีพระภาคตจแล้วกล่าวยกจ่อง พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้แสวงหาคุณอันใจธรรมะพระองค์ทรงสแสดงไว้ดีแล้วได้เป็นธรรมที่ทรงสแสดงด้วยความรู้ของพระองค์เองดังนั้นเมื่อใครก็ตามปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่แท้ข้อหน้าข้อที่น่าศึกษาในแนวที่เป็นพุทธานุสติและหลัก ในการประพฤติปฏิบัติก็คือผู้สแสวงอาคุณนันใจคำว่าคุณนันใหญ่นั้นท่านจะเริ่มต้นด้วยศีลาทีิคุณเป็นต้นคือคุณคือศีลเป็นต้นเรจนาจะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้มีอำนาจเหนือกิเลสเหนืออารมณ์ทั้งหลายสูงขึ้นไปจนถึงหลุดพ้นจากอานาจของอารมณ์ได้อย่างแท้จริง เฉพาะในที่นี้จะได้กล่าวในส่วนของอริยธรรมคือธรรมะที่ทาคนให้เป็นผู้ประเสรศิฐหรือธรรมที่ทาคนให้เป็นพระอริยที่ในปีสุดท้ายแห่งประชนมชีพของพระภูมีพระภาคเจ้าคือก่อนจะปรงประจนมายุสังขารในหลังจากปรงประจนมายุสังขารพระพุทธองค์จะเน้นอยู่ที่ห้าข้อนี้มากเป็นพิเศษเพื่อเป็นการตอกย้า หลักในการประปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินไปในเส้นทางแห่งอริยธรรมตั้ง5ประการประการแรกก็คือเรื่องของสีละขันคือกองแห่งศินที่บุคคลผู้อยู่ในฐานะต่างๆกันตามชั้นของอุบาสกุบาศิกาภิกษุภิกษุณีสา ม, มนเนสสมมนเนเรีหรือนางสิกขามานา ซึ่งสรุปรวมเป็นพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติด้วยจิตสำนึกที่มองเห็นโทษของการละเมิดบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าถ้าหากบุคคลกระทาไปเช่นนั้นชื่อว่าตกอยู่ภายใต้การบงการของกิเลสที่แรงเกินไปประเภทที่เป็นวิติกรมะคือบังคับกายบังคับวาจาของบุคคลให้วิปริตไป าาากาบัญชของบุคคลก็ไม่สะอาดผลที่กระทบจากการกระทําเช่นนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองบ้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่ น, นบ้างและเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลอื่นบ้างดังนั้นเมื่อมองเห็นโทษเชนนี้แล้วก็ตั้งจิตเจตนางดเว้นไปโดยระบบแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นอาจจะงดเว้นด้วยการสมาทาน ตามรูปแบบที่ปฏิบัติกันเราจะงดเว้นด้วยการอธิษฐานใจราจะงดเว้นด้วยมีเรื่องราวเป็นเหตุให้ละเมิดศีลร่วงศีลแต่มองเห็นโทษที่สืบเนื่องจากการกระทำเช่นนั้นและตัวการกระทำเช่นนั้นเพราะเป็นทางแห่งบาปแห่งอคุศลก็ ง, งดเว้นไม่ประพฤติกระทำและนี้ก็ชื่อว่าเป็นศีลเช่นเดียวกัน และคนที่มีกำลังกุศลแก่กล้าอยู่ภายในใจอาจจะตัดขาดคือไม่ไดมเมิดในสิขาบทบางประการจนถึงเป็นชุดๆไปจะรักษ า, ษาสินห้าเป็นนิดสากวโวสดแต่สินเป็นนิดจะรักษ า, ษาสินสิบเป็นนิดเป็นต้นก็อให้เกิดผลเป็นความปกติทางกายทางวาจาของบุคคลดอกนั้นแต่ความปกติทางกายทางวาจานั้นพึงสังเกตว่า ในระดับศีลพื้นฐานข้างล่างนั้นจะต้องเจือด้วยเจตนาของบุคคลเสมอไปไม่ว่าเจตนาในการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ก็ตามจะต้องมีเจตนาอยู่ด้วยตนั้นการที่กายวิช า, าของบุคคลส ง, งบสะอาดหมายความว่าจิตใจของบุคคลมีความสงบจากอาการรุนแรงของกิเลสประเภทโลภโกรธโทนตนนั้นศีลก็มีผลเข้าไปถึงแต่ และจะท้อออกมาจากใจผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลสมาทานศีลที่ทรงชา้กับว่ามีศีลสมบูรณ์ย่อมก่อให้เกิดผลคืออานิสงส์ที่บุคคลสัมผัสได้ในขณนะนั้นเช่นมีเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายว่าท่านผู้นี้มีศีลมีธรรม จิตใจของท่านผู้นั้นจะมีความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะเข้าไปในสมาคมใดบัรสมาคมจะใหญ่จะโตยังไงก็ตามแต่ว่าพเพราะการประพฤติของตนไม่มีแผลไม่มีปัญหาที่จะต้องตกกังวลหวาดกลัวหรือหวาดระแวงต่อการโจทวงของบุคคลอื่นใจิตใจของบุคคลนั้นก็จะมีความมั่นคง ในขณะเดียวกันพรกสมบัติทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นทําให้มีความสมบูรณ์ด้วยพรกสมบัติจิตใจะจะมีความสงบเย็นเป็นปกติตอนนั้นเมื่อทําการรักกริยาจากไปก็จะบังเกิดในสุคติจะไม่หลงทําการรักกริยาและเมื่อทําการรักกริยาไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติ ดังนั้นในชา้นของศีลจึงส่งเน้นให้บุคคลพยายามรักษาในจุดของตนจะเป็นศีล้าศีลแปหรือศีลอะไรก็ตามย้าให้ขาดให้อย่าให้ทะลุอย่าให้ด่างอย่าให้พลอยให้เป็นอิสระในตนเองแด้ไม่เป็นการรักษาด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาผลประโยชน์จากการรักษาศีลแต่มองเห็นว่าศีลนั้นเป็นความดีมีลักษณะขัดเกลาจิตสันดานของตน ทำกายธรรมจของตนให้สะอาดก็สมาทานรักษาไปแห้ทำให้จิตใจของบุคคลโน้มน้อมเข้าหาความสงบคือสมาธิแต่นี่ชื่อว่าศีลเจ้าาดีแล้วเป็นศีลขันคือเป็นกองแห่งศีลที่เมื่อบุคคลเริ่มต้นได้แล้วก็จะดึงส่วนอื่นๆให้บังเกิดขึ้นเพราะความเกี่ยวเนื่องของธรรมะดางที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าศีลที่บุคคล รักษาดีแล้วย่อมทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นสมาธิที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมทำปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญาที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อ ม, มชําระศีลสมาธิของตนให้มีความประดิษฐ์จริงๆขึ้นไปจนเข้าถึงความสมบูรณ์ในฐานะนั้นๆอริยธรรมข้อต่อไปก็คือสมาธิขันได้แก่กองของสมาธิสมาธินั้นมีทั้งส่วนเหตุและส่วนผล ตลอดถึงลักษณะของสมาธิส่วนเหตุพูดง่ายๆมองง่ายๆทรงใช้คำบาลีคำหนึ่งว่าอารามณูปนิชานคือการเพ่งดูอารมณ์ได้แก่การที่บุคคลตั้งจิตของตนให้สงบเพ่งดูอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากจิตนั้นไวต่อกิเลสอารมณ์ที่นำมาเพ่งดูจึงไม่สาธารณทั่วไป คือสรุปว่าอารมณ์ที่นำมาเพียงนั้นอย่าให้ใกล้ต่อความกำหนดัดใกล้ต่อความขัดเคืองใกล้ต่อความรุ่มหลงใกล้ต่อความ ม, วมัมวเมาอารมณ์อะไรที่จะไม่เกิดลักษณะเช่นนั้นขึ้นก็คืออารมณ์ที่เป็นกลางกลางในตัวของมันเองอารมณ์ที่จะดึงจิตออกจากความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัมวเมาอารมณ์ที่จะเพิ่มพูน ความคลายกำหนัดความคลายกัดเคลืองความคลายรุ่มหลงความคลายบวมเมาให้บังเกิดขึ้นตามแนวอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนั้นจะเห็นได้ว่าอารมณ์บางประเภทเป็นกลางๆแต่พร้อมที่จะดึงจิตออกจากความกำหนัดกัดเคลืองเป็นต้นเช่นการพิจารณาดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่านาปานัสติโดยเรียบททั้งสี่โดยเรียบท้อยนี่ก็เป็นเรื่องกลางๆตลอดถึงยกกายออกเป็นทาตุสี่ ยกกลายเป็นอาการ32พวกนี้เมื่อแยกออกไปแล้วนั้นจะไม่แวบเข้าไปหาความกําหนัดเกลื่องลุ่มหลงมัวเมาแต่จะค่อยๆดึงจิตกลับมาจากอารมณ์ลักษณะนั้นอารมณ์บางอย่างนั้นใกล้เป็นลักษณะกุศลธรรมเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายความกําหนัดเกลื่องลุ่มหลงมัวเมาลงไป เชนพุตานุสติเราเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าธามานุสติเราเลิกถึงคุณของพระธรรมสังขานุสติเราเลิกถึงคุณของพระสงฆ์หรือพระมิหารทั้ง4ประการเป็นต้นแต่ว่าอารมณ์ที่ไวต่อความกำหนัดเช่นไปพิจารณารูปสวยๆซะก่อนใจจะเพิ่มความกำหนัดขึ้นมารูปสวยๆจึงไม่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานสําหรับคนทั่วๆไปแต่เป็นได้สมหรับ่านที่มีบา ร, รมีแก่กล้าคนระดับพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลาย มันใช้ได้หรือาการเจริญเมตตาในคนที่เป็นศัตรูต่อตนเองก่อนไวต่อความขัดเคืองก็ไม่สอนให้กระทำเช่นนั้นหรือบางครั้งบางคราวไวต่อความรุ่มหลงเรื่องอยากเกินไปลึกซึ้งเกินไปภูมิธรรมตติปัญญาเราไม่มกักพอที่จะเอาไปวิเคราะห์วินิจฉัยเช่นนั้นถ้าคืนไปพินิจเข้าก็ อ, อาจจะเกิดความรุ่มหลงักยิ่งขึ้ น, นก็ไม่พิจารณาในตอนตอน้น แต่เมื่อพื้นฐานทางสมาธิเสริมสร้างปัญญาให้บางเกิดขึ้นมากก็อยู่ในวิสัยที่บุคคลนั้นจะทำได้จากนั้นการเพ่งอารมณ์ในลักษณะนี้โดยเหตุแล้วก็มีความหลากหลายออกไปตามพื้นเพอัติยาศัยวิธีการแบบแผนต่างๆที่กำหนดยิถือประพฤติปฏิบัติกันอย่างนั้นแต่ประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าอย่าไปยึดติด เพาแบบนี้เท่านั้นถูกต้องแบบอื่นไม่ถูกต้องต้องทําอย่างนี้เท่านั้นจึงจะสงบทําอย่างอื่นไม่สงบเพราะถ้าคิดเช่นนั้นหรือกล่าวออกมาเช่นนั้นเป็นอาการของศีลพัตปราหมณคือถือมั่นโดยศีลโดยวดัด้วยข้อปฏิบัติที่ตนปักใจฝังใจเอาเพราะถูกต้องแล้วปฏิเสธส่วนอื่นการปฏิเสธในลักษณะนั้นเป็นการปฏิเสธธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะกรรมาฐานข้ออื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้ เมื่อทรรมังสานังกัจฉามิแล้วก็หมายความว่ากัจฉามิหมดไลยองค์ธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลและผลของกุศลแล้วก็สานังกัจฉามิคือถึงเป็นสระที่พึ่งที่ระลึกทั้งหมดพระธรรมนั้นพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่ายึดถือมากไปก็กลายเป็นส ก, กายยัจจิสิเป็น ถ, ถือตัวถือตนถือเราถือเขา ปิดกั้นประตูของพระนิพพานไว้เรียบร้อยไม่มีทางที่จะไปได้เว้นแต่จะผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจนอยู่ในจุดที่สงบได้อย่างสิ้นเชิงจะเป็นการเปิดประตูพระนิพพานได้อารมณนูวันิชานคือการเพ่งดูอารมณ์จึงมุ่งหมายที่การเพ่งเพื่อให้จิตสงบจากความกำหนัดจากความขัดเคืองจากความรุ่มหลงจากความบมวมเบ ดวยพูดอีกนัยะหนึ่งก็คือว่าการเพ่งดูอารมณ์อะไรก็ตามที่สามารถสงบนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การเพ่งในลักษณะ น, นั้นเป็นการถูกต้องแต่ถ้าเพ่งอะไรแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นที่เกิดอยู่แล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นนั้นจะเพ่งดีพิเศษยังไงก็ตามก็ไม่ชื่ว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ว่าส่วนสมาธิขันนั้น เมื่อทรงเรียงอย่างนี้ก็หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิที่เราเรียกว่าเป็นสมาธิในชั้นนั้นๆสงบชั่วขณะหนึ่งบ้างสงบสูงขึ้นบ้างใจิตใจมั่นคงแน่แน่บ้างจนเกิดเป็นองชานมีรมณ์เป็นวิตกวิจารคือความตรึกนึกที่เป็นกุศลปีติความเอืบอปีนใจสุขความสบายกายสบายใจ เอกคตาคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือบางทีก็เรียกว่าสมาธิตอนสมาธิกับเอกกคตาจึงเป็นชื่อเดียวกันเอกกัคตาเ ป, เป็นการแสดงลักษณะของอารมณ์ของจิตสมาธิเป็นแสดงสภาวะของจิตที่เข้าถึงเอกกคตาว่าจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เป็นส่วนของสมาธิกันซึ่งในชั้นนี้เมื่อเข้าไปในเรียมัต ก็จะได้อริยมรรคสข้อคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสมา ส, สมาธิส่วนศีลละคะ น, นั้นก็ได้สมข้อเหมือนกันคือสัมมาวาจจะสัมมากัมมันตะและสัมมาชีวะก็ น, นี้จะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วเป็นการพูดเรื่องคนละเรื่องกันตอยคํำคำนวนก็ใช้ต่างกันแต่ก็จะไปลงกันทั้งหมดคือไปลงในอริยมรรคทั้งหมดในที่นี้เรียกว่าอริยธรรม คือศีลขันกองแห่งศีลสมาธิขันกองแห่งสมาธิปัญญาขันกองแห่งปัญญา inals. ปัญญาขันกองแห่งปัญญานั้นที่จริงก็เป็นลักษณะของสมาถะอีกประการหนึ่งเป็นลักษณะของกรรมฐานอีกประการหนึ่งจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานโดยการปฏิบัตินั้นมุ่งขจัดความจำความคิดความเห็นความจำนั้นก็คือจำหมายอารมณ์ที่เราเรียกว่าสัญญา ความคิดก็คือการคิดอารมณ์ที่เรียกว่าจินตนาคือความคิดความเห็นนั้นหมายถึงเห็นตามที่ตนคิดจะเห็นตามที่ตนจําที่เรียกว่าชิดติโดยลักษณะทางอารมณ์แล้วมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันแต่โดยลักษณะฟังตัวลึกแล้วทิฏฐินั้นฟังตัวลึกมากแดะเป็นเรื่องที่ขาดได้ยาก ดั่าถ้ า, าก็าผิดออกไปแล้วก็มีโทษมากกว่าอากุศลกรรมทั้งมวลที่มนุษย์ทำแม้แต่อนันตรีกรรมดังนั้นการพยายามถ่ายถอนความเห็นที่วิปลาสคลาดคเคลื่อนจากความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติหรือมีอยู่เป็นอยู่อย่างแท้จริงเป็นความจริงชั้นปรมารจึงจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณา เพื่อสํำร o c ความเห็นที่วิปริตในสี่สถานะออกไปขึป้นตามปกติแล้วชาวโลกจะมองเห็นอย่างนั้นประสาใดที่เป็นปุตุชนอยู่จะเห็นอย่างนั้นจะเข้าใจอย่างนั้นจะกําหนดหมายแล้วก็ยึดติดในลักษณะอย่างนั้นคือมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามเรื่องหน้าของสุภสัญญาคือจะหมายว่าสิ่งนั้นเป็นสวยๆงามเกิดขึ้นจากการปรุงคิดจากการคิดปรุงเราเองจากการกําหนดเราเอง แต่เนื่องจากการปรุงคิดและคิดรุงแตกต่างกันสิ่ที่สวยงามในความรู้สึกของคนจึงไม่เหมือนกันทวนจึงมุ่งหมายไปในสิ่งที่ตัวกำหนดว่าสวยวงามว่าไพเราะว่าอร่อยว่าน่าจับต้องเป็นต้นก่าโดยสรุปก็คือการกำหนดรูปสียงกลิ่นรสผลภัประการต่อไปก็คือว่าเป็นการมองสิ่งที่ไหลเลื่อนไป คือไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนตอนนี้เพราะการไหลที่ต่อเนื่องกันไปนั่นเองที่ตง้งใช้คำว่าสันตติคือไหลสืบเนื่องกันไปในร่างกายของคนนั้นที่จริงก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดขนเก่าหลุดร่วงไปขนใหม่เกิดขึ้นแทนผมเก่าหลุดร่วงไปผมใหม่เกิดขึ้นแทนผิวขงเก่าหลุดไปผิวใหม่เกิดขึ้นแทนเส้นเกาา่าตายไปเส้นใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนที่จริงก็เป็นลักษณะของการไหลเนื่อง แต่บุงคลตัดสันตติไม่ขาดเมื่อตัดไม่ขาดก็จะมองเห็นบ่าเป็นของจริงแทนแน่นอนแล้วก็ยึดถือมุ่งหมายอยู่ในอารมณ์ดอกนั้นมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์โดยสภาพว่าเป็นสุขแล้วก็มีความกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมองเห็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็กลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนกระทั้งบางคราวความรู้สึกเหล่านี้รุนแรงออกไป ก็แบ่งแยกกันเป็นพวกเราพวกเขายกพวกก็ห้ำหั่นทำลายล่างการกลายเป็นสงครามโรคเป็นต้นอิปุตตะเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาทุกข์ันทสูตรคือสูตรที่ว่ากองทุกข์ใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นจากความมิปรารทางอารมณ์ของบุคคลนั้นเองที่มีการกำหนดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่นั้นในแนวของวิปัสสนาจึงมุ่งสอนที่ให้บุคคลมองความจริงดังไรก็ให้เห็นอย่างนั้น ความจริงอย่างแท้จริงเป็นยังไงก็ให้บุคคลเห็นอย่างนั้นตอนนั้นก็สรุปแล้วก็คือมองให้เข็นในแนวของพระไตรลักษณ์ือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมาดาที่ไม่เที่ยงเพราะว่าสิ่งทางหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่คงสภาพเดิมของตนเอาไว้ได้ตีเป็นทุกนั้นก็เพราะว่าไม่สิไม่มีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นโดยลําพังตนเอง แล้วก็ไม่คงสภาพเดิมไม่ได้เช่นเดียวกันมีอาการแผดเผากอให้เกิดความร้าร้อนที่สืบเนื่องกันไปมากปังน้อยปังแต่ก็ไม่คงอยู่กันที่ในแง่ที่เป็นน้าตาคือไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงความเป็นเราเป็นของเราเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติเป็นความจริงระดับสมมติแต่ความจริงที่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแม้ท้าบสมบัติเลือกสวนไรนาสิ่งที่เก็บสะสมเอาไว้เอาข้อจริงก็ไม่ใช่ของเรา แต่ในชั้นของโลกีธรรมชั้นของสังสารวัตคือการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็แบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงหนึ่งที่จะต้องอิงอาศัยปัจจัยสเหล่านั้นในขณะนั้นกําหนดหมายเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเราไปแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่แรงเกินไปถ้าแรงเกินไปก็จะมีการเบียดเบียนประทุสร้ายกันคืออยู่ในจุดของการกําหนดหมายที่ควบคุมใจตัวเองได้ไม่รุกอํานาจแก่การกําหนดหมายเหล่านั้น ในช่วงประการที่สองก็คือมองเห็นว่านี้เป็นความจริงขั้นสมมัติมีการบัญญัติกันมีการถือครองกันตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขกติกาที่ตกลงกันแต่ในชั้นที่สามนั้นมองให้เห็นว่าสมบัติเหล่านั้นเป็นสมบัติของโลกต้องทิ้งไว้ในโลกสิ่งที่เราให้นั้นคือสิ่งที่เราได้อย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เราได้นั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้ หมายความว่าสิ่งทรัพย์สิ่งเงินทองที่กําหนดหมายว่าเป็นของเราซึ่งใช้ไปในทางที่เป็นสาธารณะประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นนิทิคือขุมทรัพย์คือบุญนั้นเป็นสมบัติของเราที่ติดตามเราไปได้จริงๆแล้วก็สามารถอาํานวยผลให้เกิดความสุขความสมบูรณ์ด้วยอายุวันะความสุขภาร ะ, ะในภพนั้นๆได้ด้วยแต่สิ่งที่ไปยึดถือว่าเป็นของเราโดยไม่ยอมบริจาคในที่สุดจะไม่เป็นของเราอย่างสิ้นเชิงหลังจากตายไปแล้ว เพราะฉผู้ฉลาดปรารถนาบุญจึงรีบเร่งกระทําส่วนหนึ่งเอาไว้ในส่วนใช้ในโลกนี้ก็ใช้ในโลกนี้แต่ก็เตรียมส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อเป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปในสัมปรายะภพภายภักนะเพราะงั้นก็เป็นการมองเห็นได้สองชั้นแต่ก็หาประโยชน์มองเห็นประโยชน์ได้สามชั้นแล้วมองหาประโยชน์ได้ทั้งสมชั้นผลของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาระดับปัญญาขันนั้นคือจะต้องมีมองผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน ว่าวิปัสสนานั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไปดูที่ตัวซึ่งวิปัสสนาแก้ว่าลดลงไปหรือไม่ก็คล้ยๆก็ขัดพื้นจะดูว่าสะอาดหรือไม่สะอาดก็ดูว่าสิ่งส ก, ร ป, กปรกัหายหรื อ, อยังถ้าสิ่งสกรปรกยังไม่หายหรือว่ากวาดขยะขยะยังเต็มอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้รับผลของการกวาดซักผ้าหรือทําอะไรก็เหมือนกันหรือว่าเกิดความหิวขึ้นมารับประทานอาหารก็ดูว่าได้รับผลจากการรับประทานอาหารหรือไม่ก็ดูว่าหายหิวหรือยัง แต่ยังไม่หาหิวก็แสดงว่าไม่ได้รับผลจากการรับประทานอาหารดอกนั้นโดยการรับประทานยาการฉีดยาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะได้ผลหรือไม่ได้ผลดยการของโรคบรรเทาหรือเปล่าทํำไมบรรเทาก็แสดงว่ายังไม่ได้ผลและการแก้ปัญหากิเลสมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าการมองในแนวไตรลักษณ์เพื่อถ่ายถอนวิปัลลาศนั้นเราเห็นความจริงมากขึ้นหรือไม่ และการเห็นความจริงมากขึ้นนั้นพิสูจน์การยึดติต ท, ที่ลดลงไปหรือไม่เพราะตามปกติในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่จิตกําหนดด้วยความพิปรายทั้งสี่สายนั้นจิตของบุคคลเคยไปเกาะยึดติตเอาไว้ว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างเป็นตัวตนของเราบ้างเพรา ะ, ะนั้นผลของวิปัสสนาก็มองกันตรงนี้ว่าความยึดถือว่าเป็นของเราลดลงหรือเปล่าจะพร้อมที่จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายบ้างได้ไหม พร้อมที่จะปลยวางให้มากขึ้นได้ไหมพร้อมที่จะเสีสละได้ไหมและพร้อมที่จะไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมนั่นคือบทพิสูจน์ถึงความรู้ความเห็นในแนววิปัสสนาทั้งนั้นเช่นว่ามองเห็นว่ารูปไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนรูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรา แล้วพอของหายก็ร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเปรตเจ็บคข้ได้พ่วยไปก็ แ, แสดงว่าเป็นแค่ปรยิยัติคือเป็นแค่ปากคือถึงแค่ปากเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เห็นในแนววิปัสสนาจริงๆเพราะกิเลสยังไม่ยอมลดไหนกลับเป็นทุกข์เป็นโทมนัสเป็นโสกะปริเทวะเข้าเหมือนเดิมก็ดูกันโดยนัยนี้ถ้าถ้าเมื่อเห็นผลดังที่กล่าวนั้นมันก็เข้าถึงขอบข่ายของอรอยิยธรรมข้อต่อไปคือวิมุตติขัน ได้เก่กองแห่งมิมุตคือสภาพของจิตที่หลุดพ้นถ้าจะถามว่าหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองหลุดพ้นจากสิ่งนั้นเป็นของเราความยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราหลุดพ้นจากความยึดถือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือยึดถือว่านั้นเป็นตัวเป็นตนของเราถึงแนวของความยึดถือนี้ให้ลองสังเกตปะแล้วว่าเกิดขึ้นจากเรื่องของตานหาเกิดขึ้นจากมานะ เกิดขึ้นจากทิฏฐิผู้ปฏิบัติอาจจะสงสวรรค์โลกโกรธลงหายไปไหนโลกโกรธลงก็แฝงอยู่ตรงนี้แตายแรกนั้นเป็นปัญหาทั้งสามขบวนที่จริงก็เพือกอาการของความโลภทีนี้ถ้าใครมากระทาอะไรต่อของเรามันก็ตีกลับเป็นความโกรธอาการของทิฏฐินั้นเป็นอาการของโมหะที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว ในแต่ลักษณะของมานะก็เป็นอาการของโมหะของโทสะตลอดตังโลภะในแต่ละจุด ช, ชัดแจ้งอยู่แลตอนนี้ก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองแต่มองในแนวของความยึดถือกรอกรูปมาเป็นรูปของตัณหารูปของมานะรูปของติฏฐิมานะก็พร้อมจะจกระจายตัวเองออกไปเป็นการยกจ่องเชิดชูตัวเองดูหมิ่นบุคคลอื่นหรือว่าดูหมิ่นตนเองหรือว่าจีดตนเทียมท่านเป็นตน้นซึ่งโดยสรุปแล้ว กิเลสก็จะฟูขึ้นทั้งหมดเลยดังนั้นเมื่อได้ปฏิบัติใช้ปัญญาปินิดพิจารณาถ้าจิตหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านั้นได้มนโดยน้ำดับหลุดพ้นเพียงตัวขณะหนึ่งหรือหลุดพ้นด้วยผลของสมาธิขันหรือหลุดพ้นด้วยตัวปัญญาขันจริงๆคือหมายความว่าสงบกิเลสได้อย่างจินินเชิงจิตหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสเหล่านั้น เป็นการหลุดพ้นในลักษณะที่ตัดขาดได้อย่างแท้จริงทุกขั้นตอนที่บุคคลสัมผัสได้นั้นก็คืออาการของวิมุตติขันอาการสุดท้ายก็คือวิมุตติยานัทสนะขันคือความรู้ความเห็นในวิมุติว่าหลุดพ้นจริงยันโดยในย่าที่กล่าวแล้วในตอนต้นอุปมาที่กล่าวแล้วในตอนต้นบางเมื่อมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจนเข้าถึงใจและเกิดเป็นญาณความรู้ความเห็นแล้วในส่วนของตนเองก็ไม่หยุดติดในส่วนของสิ่งภายนอกที่ใจเคยกาหนดว่าของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็เข้าถึงธรรมสังเวชคือมองเห็นความจริงแห่งธรรม เสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาก็แตกดับไปแล้วหรือมองเห็นว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เองภาวะก็เป็นอย่างนี้เองไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้และจิตไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วนั้นหรือทำตองเดียวกับการที่บุคคลรักษาตัวเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บหมอบอกว่าหาย หมอบอกว่าหายนั้นเราต้องรู้ว่าหายด้วยถ้าเราไม่รู้ว่าหายแสดงว่ายังไม่หายจริงคือต้องมองเห็นว่าอาการที่เคยเสียดแทงเคยปรากฏสร้างความทุกพพลภาพให้แก่ร่างกายนั้นได้หายไปจริงๆด้วยนี่ก็คืออาการอย่างหนึ่งของวิมุตติญาณนทัานสนาคาันธรรมะเหล่านี้เป็นคุณอันใหญ่เป็นอริยธรรมเป็นบันไดาสามขั้นใหญ่ๆคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ให้เกิดผลขึ้นมาอีกสองขั้นเป็น เส้นทางเดินเพื่อจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาคุณนันใหญ่ประสบคุณนันใหญ่และแสดงคุณนันใหญ่เพื่อพุทธบริษัทได้สัมผัสคุณนันใหญ่โดยการเดินไปตามาศาสตร์ของอริยธรรมทั้ง5ประการนี้และเมื่อคนดําเนินไปแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตามสุขเกื้อการรพุดปฏิบัติแห่งตนต่อาตอ น, นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป